เราก็สวดมนต์เป็นประจำแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือน้อมนะเข้ามาพิจรารณาเนาะพิจรารณาในตัวเราอย่างเรื่องเทวทูตนะเทวทูตก็คือคือตัวแทนนะจากเทวดาเนาะนะเข้ามาเตือนนะเข้ามาเตือน เตือนว่าความจริงของชีวิตมันเป็นแบบนี้เนาะอย่างบางคนก็พูดง่ายๆว่าสมมติเวลาแก่ขึ้นเนาะเวลาเราแก่ขึ้นก็อาจจะถ้าทางโลกโล ก, ก็ดู ง, าง่ายๆอากเช่นวันเกิดนะวันครบรอบวันเกิดนมันก็คือวันที่ตัวเด็กอายุของอายุเรามันเยอะขึ้นนะ ก็มีหลายคนนะก็ก็เรียกว่าติดในสมมตินะติดในสมมติตัวเลขนี้ค่อนข้างเยอะก็สะเทือนใจเวลามีคนพูดว่า อ, อ, อายุขึ้นเลขสามแล้วนะอายุขึ้นเลขสี่แล้วบนาะงคนใกล้ๆจะเลขสี่แล้วแต่ยังขอเป็นไม่อยากให้ขึ้นเลขสี่นะ อยากอยู่เลขสามอยู่นี้ก็มีเลขห้าเลขหกเลข 7, เจ็ดอะไรก็เหมือนกันนะเหมือนก็เราเองคนส่วนใหญ่ความรู้สึกก็คือยังไม่อยากยังไม่อยากแก่แต่จริงถ้าจะว่าไปทุกๆุวันเกิดนะก็เหมือนเป็นเหมือนวันที่เทวทูตเขาส่งนหมายมาเตือนเราแล้วเออเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดานะ นะแต่ที่จริงถ้ายิ่งพิจารณาทุกวันเราก็เราก็แก่ขึ้นทุกวันนะนะไม่ต้องรอทุกหนึ่งปีนะในช่วงวันเกิดนะหรือมีเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันหรือว่าคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยนะเหมือนเทวทูตส่งเชดหมายมาเตือนเราเนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะนะ เราเห็นคนอื่นก็ตายนะก็เนี่ยเทวทูตส่งจดหมายมาหาเราแล้วนะว่าความตายนะเป็นของเที่ยงเนะี่ยชีวิตนะเป็นของไม่เที่ยงแพ้แน่นอนเนะี่ยเทวทูตก็ทําหน้าที่ในการส่งนะส่งจดหมายมาเตือนเนะี่ยให้เราเข้าใจว่าเออความจริงเป็นแบบนี้แหละนะอย่างในพุทธประวัตินะ อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแบบเวลาเราเรียนพุทธประวัติบางทีจะออกเป็นแนวประมาณว่าผู้พุทธเจ้านยไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนเจ็บไม่เคยเห็นคนตายตอนที่ท่านได้ประพาสในเมืองแล้วก็ค่อยไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะนะเนี่ยว่าเห็นเทวทูตทั้งสี่หลังจาก น, นั้นก็ คืนนั้นท่านก็เลยบ่งสังเวชนะแล้วก็ออกบวชนะแต่นี้ความเห็นส่วนตัวไม่ไม่ค่อยเชื่อว่าเพราะพระเจ้ามไม่เคยรู้ว่ามันมีความแก่ความเจ็บความตายนะคิดว่าก่อนท่านจะออกบวชท่านน่า จ, จะเคยได้เรียนนะหรืออาจจะเคยเห็นบ้างก็ได้นะ แต่ความรู้สึกในวันที่ก่อนออกบวชนนีะ่มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันสะสมมันมามากนะคล้ายๆมันจะเห็นชัดขึ้นนะเพราะว่าโรพุทธเจ้เองท่านก็ท่านก็เรียนมามาเยอะเนาะสิบแปดวิชานะมันจะไม่มีหรอเช่น ว, วิชายิงธนูวิชาขี่ม้าเลย วิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองการทหารหรือกีฬาต่างๆมันถ้าเรียนเก่งมากจริงมันก็ต้องรู้ว่ า, ายิงธนูไปถูกคนมันก็ต้องตายอะแบบนั้นนะมันก็หรือในคัมภีร์พระเวทนะของสมัยก่อนมันก็ต้องมีเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพงานอะไรต่าง มันก็น่าจะอยู่ในคัมภีร์ก็มีแล้ ว, ลวนะหรือท่านเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ใดต่างๆเนะี่ยมันก็ต้องมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องการรักษาโรคนะอันนี้ความเห็นคิดว่าพระเจ้าท่านเรียนมาเยัะขนานนั้นนะท่านก็ย่อมพอจะรู้ในทางทฤษฎีว่าคนเราก็ต้องมีแก่เจ็บตายนะเป็นธรรมดาอยู่ แต่ท่านเองอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบจะจะนะมันก็เลยไม่เกิดความสดสังเวชนะไม่ได้ออกประพาสนะในเมืองได้เห็นคนแก่มากๆได้เห็นคนเจ็บมากๆได้เห็นคนตายมากๆท่านก็เลยเกิดความสดสังเวชในชีวิตนี้มากขึ้นนะแต่ก่อนรู้ในตำรานะรู้ในคำพีแต่พอได้มาเห็นนะ ตาได้สัมผัสกับตัวนะมันเกิดความซาบซึ้งขึ้นมามากขึ้นนะมันก็เลยเกิดความสดสังเวสในชีวิตมากขึ้นความรู้สึกที่อยากจะช่วยให้เพื่อนมนุษย์ต่างๆพ้นจากความทุกข์มันก็เลยกระตุ้นมากขึ้นนะ็นทั้งเห็นสรณะนะเห็นทางที่ว่าเออทางตรงนี้นะ่าจะเป็นทาง ในการที่เราจะหาคำตอบแล้วก็ในทางที่จะช่วยคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์เพราะนั้นที่จริงเนี่ยไอสิ่งที่เรารู้นะเรารู้ถ้าเราแปลมาเป็นสภาพความเห็นนะมาพิจารณานะความจริงนะให้มันเห็นประจักษ์ในใจของเรามันจะได้เกิดความความซาบซึ้งในใจเนาะ เกิดความกระตุ้นเตือนนะให้ชีวิตมันไม่ประมาทนะเราแก่ขึ้นทุกวันนะนะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะมาเยือนวันไหนก็ไม่รู้นะนะความตายก็จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรนะนะเราก็ไม่รู้เราก็จะได้ไม่ประมาทนะรวมๆจริงๆก็คือเทวทูตทั้งหลายมาเตือนเราเพื่อให้เราไม่ประมาทนะนะ ว่าวันเวลาของเรามันไม่แน่นอนนะอนะชีวิตของเราไม่ไม่แน่นอนนะนะอย่างไรเราถึงจะมีชีวิตอย่างที่ไม่ประมาทกันในนี่คือเทวทูตเขามาเตือนมาเตือนพวกเรานะให้เราไม่ประมาทนะในชีวิตนะแล้วก็ให้เราคนไข้นะอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะต้อง จริญ น, นะต้องพัฒนาเราก็ขวนขวายนะฝึกฝนนะให้เต็มที่นะนีะ่พอเรามาอยู่วัดเรามาบวชว่าฝึกฝนเรื่องนี่แหละนะเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีล น, ะนนะคือความเป็นปกตินะคอมกายวาจานะสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นนะ สมาธิคือเรื่องของการรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ต่างๆนที่มันเกิดขึ้นนะด้วยจิตที่ตั้งมันนะ่นปัญญาคือความเข้าใจความจริงนะความปล่อยวางนะเนี่ยเราก็มาฝึกฝนตรงนี้แหลนะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยอืมฝึกฝนเรื่องตรงนี้นะให้ดีที่สุดเท่าที่ทําไดา้อันนี้คือสิ่งที่เรา เรียกว่าในในการศึกษานะมันมีลําหนักสองส่วนเนะี่ยอันนี้คือส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นยอนิโซนมัสติกาคือการพิจารณาโดยแยบคายนะเห็นความแก่ความเจ็บค ว, ความตายเห็นสิ่งต่างๆก็พิจารณาน้อมนะโน้มเข้ามาใส่ตัวให้เกิดความสดสังเวชนะสังเวชคือคือความเบื่อหน่ายนะความคลายกาหนัด โปงนะ่งพูดง่ายๆก็โปงนะ่งธรรมเวก็คือโปงนะ่งเราน้อมสิ่งต่างๆเข้ามาโปงมันเป็นธรรมดาเนาะมันเป็นธรรมดานะนนรรานะความพัดผ้าสูญเสียก็เป็นธรรมดานะิ น, นทาสรรเสริญนะก็เป็นธรรมดานะสุขทุกข์เกิดขึ้นนะก็เป็นธรรมดานะะเราก็พิจารณาเออนี่ยคือเรียกว่าเป็นโยนิโซนอะมสิกา คือกางพิจารณาโดยแยกภายนะพิจารณาแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวคนที่มีโยนิโสนมัสิการที่ดีนะจะอยู่ที่ไ ห, ไหนก็ดีนะก็จะเป็นคนที่มีความเจริญในธรรมนะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้นะด้วยการที่มันโยนิโสนมัสสิการ์บ่อยๆเนี่ยนะแต่ผู้เจ้าเองเขาก็บอกแม้ บางคนอาศัยกัญญานมิตรนะก็เป็นผู้ที่สามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เหมือนกันนะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัญญานมิตรนะหรืออาศัยครูบาอาจารย์เป็นกัญญานมิตรนะอาศัยผู้รู้หรือผู้ที่พยายามฝึกฝนตนนะเป็นกัญญานมิตรเนะี่ยก็จะทําให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เหมือนกันนะทําไมถึงพ้นนะบางคน ไม่มีศรัทธาเนาะพอได้อ่านคำสอนพระพุทธเจ้าพอได้อยู่กับผู้ที่ประพฤติดีนะก็เกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธาคือความความเชื่อมั่นนะศรัทธามันจะนำให้สู่ความเห็นที่มันถูกต้องได้นะเมื่อเชื่อแล้วก็เกิดการฟังนะฟังแล้วก็เกิดการเอาไปกระทำนะกระทำแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมานี่นเคือศรัทธา แต่ศรัทธาเองก็ต้องเป็นศรัทธาที่ที่มีปัญจานะไม่ใช่ศรัทธาแบบเชื่อแบบหลงงม ง, ง, งายบางทีบางคนมีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาก็จะเชื่อแบบงม ง, งาย น, นะเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะเชื่อแบบนะศรัทธาแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นทางออกจากทุก์อะไรเป็นทางที่มัน ชมในความทุกข์เลยนะนั้นศรัทธาเองต้องมีปัญญาเข้ามาประกอบว่าเอ อ, เ อ, อสิ่งที่ทำเนี่ยทำทั้งหลายก็ทำไปเพื่อความพ้นทุกข์นะทำเพื่อให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาทำเพื่อให้เกิดการปล่อยวางนะบางทีศรัทธาแบบยึดมั่นถือมั่นนะมันก็เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์เป็นเหตุที่เกิดความหลงต่างๆแยอะมากมายเหมือนกัน ศรัทธานะนะในพระรันาตนตรไตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะในบทหนึ่งที่เราสวนดนะผู้ใดที่เนี่ยคล้ายๆมีความเลื่อมใสนะก็ก่อสร้างศรัทธาให้เจริญเข้มแข็งขึ้นเลยนะจะทำไงให้เราศรัทธาไม่ง่อนแงน่นคอนแคนไม่วันไวนะบางคนนะบางคน คือแตศรัท ธ, ธาก็แบบศรัท ธ, ธาแบบอ้อนวอนขอร้องนะทําความดีก็หวังจะได้ดีนะพอเจอปัญหาชีวิตเจอเจอความทุกข์อะไรต่างๆบางทีก็ทําไมทาดีไม่ได้ดีทําไมคนทําชั่วได้ดีถมไปทําไมเรากต้องเจอปัญหาทําไมต้องอันนั้นนี้เยอะแยะมากมายนะไอ้พวกที่ทําไมทําไมเยอะแยะนะคือ <c ười> ศรัทธาไม่มั่นคงศรัทธาไม่มั่นคงเพราะว่ายังไม่เกิดความเข้าใจนะแต่ถ้าศรัทธามั่นคงนะมันจะไม่มีทําไมหรอกมันมีแต่ความเข้าใจมาแทนที่อืมมันก็เป็นธรรมดาเนาะเนี่ยโลกธรรมเขาแสดงแล้วนะเอเขาแสดงความจริงแล้วนะบางคนนะเขาดีกับเรานะเขาชมเราเขายอเรานะเขาหวังจะ หวงประโยชน์จากเราก็มีอืเขาก็สัตย์เสริญเรานะแต่พอเราไม่ให้เนะี่ยเขานะเขาก็นินทาเราเนี่ยแหละเนะี่ยมันก็ธรรมดาเลยนะ <c oughs> ถ้าเราพิจารณาเนะี่ยเราก็ไม่ต้องเลยทำไมเ อ, อเราก็ดีกับเขาทำไมเขาต้องไม่ดีกับเราด้วยนะเราก็มองมันเป็นธรรมดานะนี่คือ ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆนะมันจะไม่ค่อยมีความสงสั ย, ยหรอกนะอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องเรื่องกฎของกรรมเท่านั้นแหละนะแต่กฎของกรรมนี่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอจินไตนะถ้าคนที่ไม่มีสมาอภิญญาที่รู้เรื่องนี้แล้วก็จะไปคิดนะตามเหตุผลตามตรร ก, กะตาม อ, อธิบายต่างๆ มันก็แค่เข้าใจสิทธภาพกว้างๆว่ากรรมเขาเกิด เ, เกิดอย่างไรทํางานอย่างไรส่งผลอย่างไรนะเข้าใจคร่าวๆนะแต่จะแต่จะให้มันเจาะจงไปเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่มีไม่มีอภิน ญ, ญาที่จะดูตรงนั้นนั้นเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องอจินไต่มากแต่ถ้าเรามีปัญญาแบบไม่ใช่แบบมีมีอภิน ญ, ญามากก็เอาไปเลยว่า คือ ไ, ไม่ได้มีฤทธิ์นะแต่ก็สะดวกไปเลยว่าออมันถูกอยู่แล้วที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันถูกแล้วนะเราก็ยอมรับไปเลยสนะิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยยอมรับไปเลยยอมรับว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นแล้วเนระ่ก็ไม่เป็นทุกข์ละจิตที่เป็นทุกข์คือจิตที่ไม่ยอมรับความจริงนะ มันก็เลยเกิดทําไมเขาเป็นอย่างงั้นทําไมก็เป็นอย่างนี้ทําไมเรื่องนั้นต้องเกิดกับเราด้วยนะมันเป็นทุกข์เพราะว่าทําไมนะ่ะที่จริงก็คือทําไมเพราะว่าไม่ยอมรับนั่นแหละนะแต่ถ้าเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีทําไมละมันก็ไม่เป็นทุกข์ลนะเราก็ยอมรับนะความจริงตอนนี้ยนะคือมีการมีปัญญาเข้ามาเนะียมันก็จะทําให้ ศรัทธาของเรามันก็ไม่เสื่อมคายนะอืมทําดีก็ดีแล้วนะเจอปัญหาบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรแบนี้เนาะมีคนชอบบ้างมีคนไม่ชอบบ้างนะก็ธรรมดานะเนี่ยคือหรือที่จริงสุขทุกข์เองมันก็เป็นธรรมดานะเราก็เลือกไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราฝึกเออเราไม่ปฏิวัติเพื่อจะเอาความสุขนิวายนะ เราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะหนีทุกข์หนี่เราปฏิบัติเพื่อเรียนรู้นะ่ะสุขก็รู้นะ่ะทุกข์ก็รู้เนะนี่ยเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจเนะี่ยอ๋อเออเราหนีทุกข์ไหมนะเราอยากจะเอาแต่ความสุขไหมนะ่ะถ้าเราเข้าใจเออสุขทุกข์มันเป็นธรรมดามันเลื่องไม่ได้นะมันเกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้เนอะ่ พอรู้แล้วมันก็ไม่มีอะไรก็อยู่กับมันนี่แหละเหมือนเรือนะอยู่บนพายเรือบนอยู่ในมหาสมุทรเนนะี้ยมีคลื่นบ้างคลื่นน้อยน้อยบ้างนะมันก็เลือกไม่ได้นะแต่หนะ้าที่เราก็คือประคองเรือให้มันไม่จมไม่พายเรือให้ไปถึงฝั่งมันจะได้เรียกว่าปลอดภัยกว่านะตามใดที่อยู่ อยู่ในน้ำนะอยู่บนน้ำมันก็ย่อมมีคลื่นนะย่อมมีโอกาสที่จะเรือจะล่มเป็นธรรมดาแต่หน้าที่เราคือพยายามพาเรือนั้นมาถึงฝั่งแล้วก็ขึ้นฝั่งเสียในวัฏจักรของชีวิตเนี่ยฟินาโดยดีมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นสุขเที่ยงแท้แน่นอนเนาะในทางโลก จะเกิดเป็นใครจะเกิดในฐานะอย่างไรนะ่ะในภพภูมิอย่างไรมันก็ล้วนมันก็ล้วนตกอยู่ในกฎของใตรักทั้งนั้นนะ่ะมีความไม่เที่ยงของสังขารน่ะมีความเป็นทุกข์ที่ต้องเจอทั้งกับร่างกายหรือเจอกับสิ่งแวดล้อมน่ะมีสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะ่ะ เกิดขึ้นนยะเป็นธรรมดามันหนีไม่พ้นนะในวัฏจักรของศาสรเนี่ยมันมีความทุกข์นะบีบคั้นมีความทุกข์นะอยู่ตลอดเวลานะเนีย่ยพระพุทธเจ้าก็เตือนเราตรงเนี้ยนะเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยกัลยาณมิตรท่านก็จะเตือนในสิ่งที่ที่ท่านเข้าใจท่านเห็นมาก่อนนะ หรืเตือนเราเวลาเราทําผิดนะวเวลาหลงผิดก็เตือนก็เงี่ยงหูฟังนะก็นําไปปฏิบัตินะกัรนามิตรก็จะพาเรานะให้ถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันนะถ้าเราอาศัยกัญยามิตรนะในการที่อาศัยคําสอนอาศัยคําเตือนอาศัยตัวอย่างนะในการปฏิบัตินี่แหละก็จะ นำเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เหมือนกันนะก็อันนี้แหละคือในภาพปฏิบัติจริงๆมันก็พูดยากนะ <c oughs> แต่จริงก็คือเนี่ยเราหมั่นฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอเ น, นะ่นะภาวนาภาวนาก็แปลว่าพัฒนานี่ยแหละนะเราพัฒนาตัวเราเองนั่ยแหละคือภาวนาแล้วนะจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อยหมั่นพัฒนาตัวเองนี่ยแหละนะ พัฒนาอะไรก็พัฒนาศีล น, นะให้เรียกว่าให้เกิดศีลคือเกิดความเป็นปกติของกายวาจาให้ให้มากขึ้นนะถ้าจะพูดนะอีกอย่างก็คือให้มีความสำรวมในอินทรีย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นแหละนะอันนี้ก็คือในภาพปฏิบัติอ้อ สิลแบบใน no. นอะ้นเรารักษาศิล น, นะแต่สิลรักษาศินก็คือศิลก็นำมาสู่เพื่อการให้เกิดความสำรวมนั่นแหละนะสำรวมไม่ใช่ปิดนะแต่สำรวมคือรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันเวลามีสิ่งกระทบารู้เท่าทันนะื ใจมันอยากจะคิดนึกบรุงแต่งอยากจะไปทำนั่นทำนี้เราก็รู้เท่าทันนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดูอะไรนะนี่คือศีลเนี่ยนะเราก็พัฒนาให้เกิดนะความสำรวมระมัดระวังนะเตือนตนเองนะอยู่เสมอมันก็จะทำให้กายวาจาเป็นปกติขึ้นนะ สมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นนะไม่ใช่จิตที่แช่ไม่ใช่จิตที่ดับนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะก็คือเนะี่ยจิตเป็นกลางนะจิตเป็นกลางจิตมั่นคงจิตมีกําลังเนะี่ยเรียกว่าสมาธินะเป็นมีกําลังนะไม่เบานะหนักแน่นมั่นคงนะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ง่ายนะ เป็นผู้รู้นะรู้เฉยเฉยเนี่ยนี่คือมีมีสมาธิพัฒนาให้เกิดปัญญาเนี่ยนะนะปัญญาไม่ใช่ว่าเราอ่านมากฟังมากอนั้นเรียกว่าคนมีปัญญามากอันนั้นเรียกว่าความรู้นะความรู้นะความรู้มากจากการฟังการอ่านเนะี่ยรู้มากนะบางทีรู้มากแต่ไม่ใช่ปัญญาก็มีนะ เหมือนที่เขบอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนะี <c> ่ย <oughs> รู้ธรรมะเยอะนะรู้ทฤษฎีเยอะแต่พอเจอปัญหาเจอความทุกข์ก็เอามาใช้ไม่ได้นะก็ยังทุกข์อยู่นะแต่เราจะทำไงบางทีอาจจะให้ความรู้บางคนก็มีมากบางคนก็มีไม่มากนะแต่ให้ความรู้นั้นมันแปลเป็นปัญญาให้ได้นะ แต่ให้รู้จักทุกแล้วก็รู้วิธีที่จะออกจากทุกได้นั่นแหละนะอันนี้คือมันจะเกิดปัญญาเนะก็ให้เรามั่นฝึกฝนพัฒนาตัวนี้เนา ะ, นะชีวิตนี้มันก็เหลืออีกไม่มากนักน ะ, นะไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีะก็คอยมันฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเ น, นะทุกเวลาทุกสถานที่นะ ทุกสถานการณ์นั่นแหละคือเวลาที่เราได้จะปฏิบัติธรรมนะมนก็ฝากไว้ัตับ